จิตเป็นตัวส่งในความเป็นดูตลอดถึงความสุขความทุกข์จิตเป็นผู้สง่งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปัจจุบันไปทุกขณะแม้จะไปเรื่องอนาคตก็ต้องเป็นไปจากจิตที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับผิดชอบตัวเองความเป็นด่จะมีความสุขความทุกข์จึงส่ออยู่ที่จิต ความเป็นไปข้างหน้าจะมีความถิดความจเจริญจึงสอไปจากจิตที่มีความจเจริญอยู่ภายในหรือความสื่อมอยู่ภายในตนเองไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้สําหรับบุคคลและสัตว์ที่จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนหรือความสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากใจไม่มีใจจึงเป็นสิ่งสําคัญความรู้นี้ครอบโลกธาตุตลอดอะไรจะสัมผัส มาจากกา้จากใจเราก็ต้องเข้ามาสัมผัสความรู้เพราะฉะนั้นความรู้นี้จึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อจะได้รับความกดดันเกินอย่างน้อยที่สุดก็ให้พอมีทา ง, งดีๆปีดตัวได้จากอารมณ์ต่างๆไม่เช่นนั้นก็รับเอารับเอาก็แย่แย่เราจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไป จะอยู่ในถานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดครรลองเพียงครางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดงออกมาทางวาจาทางจิตวิญญาณยาติแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบุญถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆนะคือการงานการได้การเสียกันเจ็บไข้ได้ป่วย ความที่ตนค้นแท้นความถูกบีบบังคับอะไรต่างๆแบบนี้มากระเทือนอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นที่สำัญดังนั้นจิตจึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนและสมกับความที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเองจิตที่ไม่ได้รับการอบรมเลยนั้นมีแต่กระทบกับผูกความกระทบกระเทือน มเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาวันก็ไม่มีสาระการสถานที่ก็ไม่มีสาระตัวของเราเองก็ไม่มีสาระมองดูจิตก็หาสาระไม่ได้เราทั้งคนกลายเป็นคนหมดสาระเป็นคนหมดหวังไปทั้ง ง, งความหวังมีอยู่แต่หาสิ่งที่จะตอบแทนความหวังนั้นมันไม่มี เพจิตมันไล่สาระเนี่ยหตุที่ทําที่จิตจะไล้สาระกอเพราะจิตขาดความสำเนียกศึกษาขาดความระมัดตวังขาดความประพฤติตนต่อตัวเองคือจิตให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากลยว่าอกลยไม่ว่าความแฉะลึกงย้่นหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะต้องมาสัมผัสให้เป็นผู้รับผิดชอบภายในจิตนี้ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมจริงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพื่อจะต่อต้านอะไรๆต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบออกจากจิตใจที่ได้รับอบรมด้วยดีแล้วผิดที่ไม่เคยได้รับการอบรมทําเลยไม่ทราบว่าศีลทำเป็นอย่างไรเลยกับจิตที่พอรับทราบบ้างนั้นเราก็พอได้พอทราบได้ชัดเจนภายในจิตของเรามาเป็นลาดับลำดับ แม้แต่การฝึกฝนอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆก็รู้สึกว่าฝืดเครืองตะเกียบตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าตะแลงแกงคือถูกคิดถูกเขาเอาไปข้ากันเองเพราะเห็นผลยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอพัดพออย่อนกันไป ทำให้พอใจทั้งไม่เห็นผลเลยก็ลำบากลำบุนมากนั่งเพีงยี่สิบสามสิบนาทีนี่โอ้โหเมืนก็จะเป็นกจะตายผิดเมื่อได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะเหมาะกับจังหวะอันดีงามที่จะกล้าเข้าสู่ความสงบให้เจ้าของได้เห็นชัดแล้วเกิดความเชื่อความเงินใสขึ้นมานั่นแหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อ ที่จะให้เกิดความมุสาพยายามไปโดยลังหนักหลวงเคยเล่าให้ฟังในการเพื่อหัดเบื้องตนซึ่งเป็นไปด้วยความเพื่อความมุ่งหมายอยากทําเวลาถามหัวหน้าวัดท่านพอ่อบอกให้ภาวนาพุทโธแล้วเนียผมก็ภาวนาพุทโธเองพิพากเอาพุทโธภาวนาหภาวนาภาวนาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทําไปงูปลาไปนั้น แต่สำคัญที่คําว่าพุโทโธกับสติระวังกันจิตตอนภาวนาพุโทโธนั้นตอนภาวนานั้นท่านว่าไม่ให้ส่งจิตไปอื่นให้มีความรู้อยู่กับคําบริกรรมภาวนานั้นเราก็จับวันนั้นเพราะเราไม่รู้ว่างฝวา ม, รรมอะไรก็ไปทําอย่างท่านว่าจริงจริพอทําลงไปกําหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธปรากฏว่าความรู้สึกของเราที่มันสร้างอย่านีที่นี่ต่างนั่ น, นรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามา อาการของจิตที่แสดงอาการรวมตัวเข้ามานั้นกลายเป็นจุดสนใจของเรามากขึ้นทำให้สติก็จดจอ่อความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นจนตากฏว่าจิตี่สงบเงียบลงไปเลยตอนนั้นขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความอจันย์ขึ้นมาภายในใจและเกิดความตื่นเต้นไม่นานจิตถอนขึ้นมาเสียเสียดายโอ้โหเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละ เป็นเชื้อสาคัญให้เกิดความมุสาพยายาไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไรลําบากลําบนขนาดไหนการภาวนาจริงไม่เคยต้องละปล่อยเวลาไว้จัวงหวะเวลาไว้ขนาบทำภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนานๆตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติจิตสงบได้อย่างนั้นเพียงสามครั้งเท่านั้น เที่สันบอกไม่ได้เรามาพิจารณาภายหลังก็พอทราบได้ว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นความคาดหมายในผลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและดับไปแล้วนั้นและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจโดยไม่คํานึงถึงงานที่ทําซึ่งจะทําให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาอีกจิบมาปล่อยงานอนันนี้เสียมีแต่ความมุ่งหวังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผลก็ไม่เกิดเมื่อพอจางๆไป จิตก็ไม่ค่อยหมายมั่นกับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นมันถึงรวมให้อีกพอจิตปล่อยความกังวลกับสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อไหร่มันก็ปรากฏผลขึ้นมาพอปรากฏผลขึ้นมาทีไรจิตก็เป็นอีกแล้วอยากจะให้เป็นเหมือนอย่างมันนั้ น, น, นพยายามก็จิตก็มีความรู้สึกอยู่กับผลที่เป็นไปในอดีตนั้นเสียไม่เข้ามาสู่วงปัจจุบันเพ่งจะยังผลให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิด ทำเมื่อไรก็อย่างนั้นอีกจนกระทั่งหมดหวังล่อยแล้วมาทําภาวนาตามธรรมดาไม่คึกคาดหน้าคหลังมันก็เป็นอีเนี่ยเราพอทราบได้เมื่อภายหลังจนกระทั่งได้ตั้งหน้าตั้งตาทําภาวนาจริงๆหยุดการศึกษาเรียนแล้วคราวนี้เอาจริงเอาจังเป็นกับตาต้องให้รู้จิต ด, ดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วนั้นจะไปที่ไหนได้ จะพยายามเอาให้ได้นั่นแหละที่นีทำไม่หยุดกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกอยาบทไม่ลดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่นนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเช่นนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้นานไปโดยลาดับสงบได้นานและไม่ตื่นเต้นที่นี่ การความการตื่นเต้นนั้นมันเป็นเหตุให้ควรเหมือนกันควนความสงบนั้นให้ถอยตัวออกมาได้ทีนี้เมื่วลาชินต่อความเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมีแต่คอยกําหนดคอยดูจิตที่แสดงตัวเข้าไปสู่ความสงบจะแสดงอาการอะไรออกมาก็ให้รู้อยู่กับจิตแห่งความรู้ที่สงบตัวลงไปนั้นโดยข่ายเดียวเท่านั้นที่ก็สงบได้นานแนบแน่นเป็นลๆๆําดับลํำดับความสงบของจิตแต่ละครั้งละครั้งนั้น นอกจากจะเป็นความสุขความสบายในขณะที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของจิตขึ้นได้โดยลําดับอีกเช่นเดียวกันจนาากระทั่งปรากฏเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจ ท, ทั้งทั้งที่จิตไมไ่รวมก็ตามเมื่อกําหนดดูความรู้ของตนเมื่อไหร่ก็ทราบชัดว่าความรู้นั้นเด่นเป็นความสงบโดยลําพังตนเองอยู่โดยเฉพาะ แม้จะคิดเรื่องอื่นใดได้อยู่ก็าตามแต่ฐานความสงบนั้นไม่เคยลดละความเป็นของตนเองนี่เรียกว่าจิตสร้างฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือเป็นความมั่นคงอยู่ในฐานของตนเองทีนี้การภาวนาคือทำเพื่อความสงบนั้นเราทำไม่ลดละก็ยิ่งสงบขึ้นไปเรื่อยๆกลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบเพราะทาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานนั้นให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งดูที่ไหนก็มีความมั่นคงอยูายนจิตใจมี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างหนึ่งจิตที่เป็นสมาธิคือตามฐานของตนนั่นเป็นอีกอย่างเวลานเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวอยูด่ด้วยความสงบจิตย่อมไม่มีความหิหวโหวย วนก歪กับอารมณ์ต่างๆ ต, ตามธรรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหงุดหงิดนั้นคิดนั่นปรุงนี้อยู่เรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็มไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะอยักหยิบหยิดนั่นวางนี้ปล่อยนั่นไปจับจดไปหมดท่านที่สอนให้มีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบจนเกินไปสงบเราจะจนเราจะให้สงบ่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้น เป็นความขมายเลยกลายเป็นสมาธิที่เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่าเก่าวจิดลากออกมาจากสมาธินค้นทางด้านปัญญาจึงได้ใช่มี่พอเริ่มใช้ปัญญาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่ายพอกําหนดออกไปนี่ยใดมันเข้าใจเป็นลําดับลําดั บ, ดบการเข้าใจทางด้านปัญญานี่ผิด กับสมาธิอยู่มากเข้าใจในอารมณ์อันใดเข้าใจในเรื่องอันใดเนี่ยมันถอดมันถอนไปพร้อมๆกันปล่อยวางไปเรื่อยก็ทราบว่าอ๋อการปลดเค ร, รื่องกิเลสมิต้องปลดเครื่องด้วยปัญญาเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นแง่เดียวอีกเหมือนกันจึงทําให้เกิดความเพื่อเพลนเฮยลำหนับลําดาการพิจารณาไม่ลดละอะไรเราพิจารณาอะไรเพื่อไม่ลดละ พิจารณาก็พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยเป็นสัจธรรมอันเดียวกันทั้งสี่อย่างนี้อยู่ด้วยกันคือทุกข์ก็แสดงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในร่างกายและจิตใจสมุทัยก็แสดงขึ้นมาโดยลำดับถ้าเราเผลอเมื่มอไร่สมุทัยคือความคิดคลุ้งคล้อยเหินไปนี่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสก็แสดงตัวออกมาจากจิตดวงเดียวนี้มกักค้แก่สมาธิปัญญา ก็ดำเนินงานไปเรื่อยๆทําจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็สอดส่องดูทากุดูขันธ์ดูของเรื่องของทุกเรื่องของสมุทยัยดูเรื่องอนิจจงทุกขังอัตตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลําดับปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งมีความท ำ, มทำนิทํานานความทํานานภาณกิจนี้ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจำทีแรกก็พิจารณายากลําบาก เราจะคลี่คลายอะไรอวัยวะแต่ละส่วนนั้นส่วนออกไปให้กระจายตัวออไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเชื่องช้าแต่พอสติปัญญามีความสามารถแล้วมันพิจารณาได้อย่างรวดเร็วกาหนดอวัยวะส่วนใดนี่มันกระจายไปหมดทั่วร่างกายซ่านไปตปหมดเหมือนกับกระดาษซึมเฮจิตก็ถืออันนี้เป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ถืออารมณ์แห่งนิปัตนาพิจารณาที่นี้ เป็นลำหนักลำหนักจนมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้นๆค้นขั้นขั้นี่ขั้นนี้นก็ปัญญามีความแหละมคมกว่าสมาธิสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความคล่องแคล่วเป็นความสอดสองมองทะลุเหตุผลต่างๆเรื่องถาดเรื่องพัน เราเคยจําว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพออานิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงทราบซึ้งถึงใจแล้วมันซึ้งมากที่สุดดึงดั่งทาให้เพ้อเทิงต่อการพิจารณาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนสถานที่กามเวลาไม่ไม่ไปสนใจนอกจากจะสนใจกับความรู้ความเห็นที่ตนมุ่งหวังอยากให้เข้าใจนั้นเข้าใจไปโดยลําดับแบบมีเท่านั้น พราฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึงมีแต่ความภาคเพียนตลอดเวลานอกจากหลับแค่เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็ประกอบความภาคเพียนโดยทางสติปัญญาเรื่องธาต ข, ขันนี่สาคัญมากที่แล้วมันก็พิจารณากระจายเป็นทั่วโล ก, กะธาตุเนี่ยเรื่องอนิจจงพิจารณาไปหมดไม่ว่าลูกสัตว์สู่บุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่ มีความแปรสภาพมเหมือนกันหมดจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรามันยึดไม่ได้มันไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งนั้นเพราะกองแห่งใจละอันนี้จังทุกข์ของหน้าตามันเป็นตัวของเขาอยู่แล้วสราบทัดมันก็ไม่กงังวลประการหนึ่งก็คือความเห็นเข้ามงความเห็นชัดในสิ่แล้วนี้แล้วด้วยปัญญาอย่างทัดเยินประการแรกแร ก, ก็คือจิตอินตัวด้วยสมาธิไม่ข้อแต่กังวล ที่นี้ก็คลี่คลายสิ่งที่เรายังไม่พิจารณาออกด้วยปัญญาเมื่อเห็นธัดุแล้วกับมันต่อยที่นี่ต่อยหลังที่เคยอธิบายแล้วต่อยเข้ามาเป็นลำหนักลำหนักเห็นธัดเท่าไรก็ปล่อยเข้ามาที่แรกก็กว้างปัญญานี่วิ่งทั่วโล ก, กธาตุเลยเหมือนกับว่าโล ก, กธาตุวันไปหมดเพราะสติปัญญามันวิ่งไปถึงกันหมดดูเสียงกลิ่นรสเสียงสังมผัส อใูใกล้ไกลมากน้อยเียงไร ล, ลุกตื้นหยาดเหยียบมันค้นเลยแล้วจนเป็นที่เข้าใจและถึงจะปล่อยได้ถ้ามันเข้าใจมันไม่ปล่อยเราจะบังคับให้ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยเช่นอุปทานเนี่ยบังคับให้ทะเลาะบังคับเธอถ้ามันไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยอมปล่อยพอเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องบอกมันฉลาดปั๊บปั๊ป๊ ป, ปับไปเลยท่านเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาความโง่เป็นผู้พาให้ถือความฉลาดเป็นผู้พาให้ปล่อยวาง ท่านจึงสอนให้อบรมทางสติปัญญาให้มากในการพิ่เจริญผลสุดท้านมันก็ไม่ไปไหนมันก็เข้ามาทานมาขันอันเป็นตัวของตัวแท้ๆที่ยึดถือกันมาประจำตั้งแต่วันเกิดกำเนิดไหนๆก็ตามมันก็ถือท่าถือขันนี่เป็นสำคัญถือว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยในร่างกายอันนี้ทุกเป็นสิงงที่ไม่พึงปรารถนากันยังบอกว่าเราเป็นทุกนังถือว่าเราเป็นทุกนะ ร่างกายทุกส่วนก่อทราบแล้วว่ามันแปรปวนมันก็ยังไปแย่งเข้ามาว่าเป็นเราเป็นของเราแย่งความแปรปวนแย่งอนิจจังแย่งทุกขงังแย่งอนัตตามาเป็นตัวของตัวจนได้นี่ก็เพราะความหลงมันทาให้เป็นในการที่จะถอดถอนความหลงที่มันซึมซาบจนถึ ง, ถงใจลหลักเงาเข้ามูลมันฝังลึกขนาดไหนเราจะไปถอนเราอย่างง่ายๆมันก็ไม่ได้จะต้องพิจารณาหลายครั้งหลายผลยจนเกิดความทะนิคทํานานครั้งนั้ น, ค ร, น, นครั้งนี้หลาย เที่ยวหลายตลบเข้าไปมันก็ค่อยแจมแจ้งเข้าไปแจมแจ้งเข้าไปถึงหลักถึงฐานมันต่อยของมันเองนะลุงลูกก็ดูมันอยูนั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามท้องที่ท่องเที่ยวเป็นทําเลทที่ท่องเที่ยวกรรมฐานของเที่ยวกรรมฐานกับกรรมฐานได้เยอะที่ไหนที่สรรมฐานก็คือเจ้าสารลมานะขาพันตาตะโจในแต่ส่วนนั่งขาของเราทุกส่วนเที่ยวกรรมฐานในตรงนี้ด้วยจระจิตคกุจระคือการท่องเที่ยวของจิตพิจารณามัน เห็นชัดตามความจริงทั้งภายนอกภายในส่วนร่างกายของเราทุกสตัตว์ทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาข้าวหน้าก็พิจารณาข้าวไหนก็พิจารณาพิจารหลายครั้งแล้วมันาซึมข่าเข้าไปเองตึงข้าเขาไป เ, เข้าใจชัดเนี่ยพอเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ปล่อยคล้องมัน <c oughs> อย่างเวทนามันก็เกิดอยู่กับข้ากับใจมันไม่เกิด อ, อยู่ที่ไหนเนี่ยมีสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชัดๆว่า เป็นของจริงแต่เราไม่ยอมรับของจริงเอาแต่ของปลอมๆเขามาแทรกมาถึงมาฝังในหัวใจใจก็เลยปลอมไปทั้งดวงจิ่งที่ปลอมมันให้ความสุขที่ไหนไม่ให้ความแน่ใจได้เลยแม้แต่เช่นอย่างเงินกลอมเงี้ยเราไปจับก่ายที่ไหนใช้ได้ที่ไหนใช้ไม่ได้ถึงจะเป็นรูปลักษณะเหมือนกันก็ตามมันปลอมโดยทางสมมติเนี่ยอันนี้มันก็ปลอมอีกอันหนึ่งเหมือนกันสมมติภายในของเรามันปลอมอยู่ในนี้นี่เมื่อ ไป แ, แย่เอาของฟองเข้ามาแทกแพระจิบจีจก็เลยการไปร จ, จิบกรอจีบลุ่มหลงใชผลของมันจึงเกิดเป็นความเดือดร้อนอาการพิจารณาก็คือว่าให้ปล่อยคืนตามของเดิมของเขาอไม่ฝืนความจริงอันดั้งเดิมะเป็ดูปังอนิจจ์ดูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมดูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปล่อยลงตามความเดิมของเขา ทุกขังเวทนากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเ น, นี่ยมันก็นเหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเให้ถึงความจริงคืออันดั้งเดิมของเขาปล่อยลงสภาพดั้งเดิมของเขาเราให้อยู่ดั้งเดิมของเราอย่าไปปีงเกลียวกับความจริงอย่าปีนเกลียวกับความดั้งเดิมของเขาอันใดดั้งเดิมของใครให้อยู่การสภาพของมันเวทานาก็ให้อยู่การสภาพของมันให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นคนหลงเราต้องเป็นคนรู้ถึงจะแก้ตมได้เราหลงแล้ว หลงเป็ทลายมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์เราไม่เห็นโทษในความหลงของเราก็ต้องได้ทุกข์อยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นโทษในความหลงก็ต้องพิจารณาให้รู้พอรู้แล้วมันก็ความหลงมันก็ดับไปมันก็ไม่ยืดไม่ถือมันก็ไม่หนักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเชิงไหนทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นทุกข์มากถึงขนาดถึงทนไม่ไหวต้องตายตายก็ตายไปเถอะเมื่อสติปัญญาเป็นตัวของตัวอยู่แล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปแบบงไปหาเมื้อทุกขจะสักแต่ว่าทุกขเท่านั้น ไม่สามารถที่จะมาทำนาจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยสติปัญญานี้ได้เลยนะใ น, นส่วนทั้งยาทั้งขานยืญยันมันก็เหมือนกันนั่งที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นเพียงจําได้ระดับไประดับไปเกิดดับเกิดดับพูดง่ายๆเอาสาระอะไรมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความปรากฏขึ้นความดับไปเท่านั้นเราไม่ต้องไปปักลึกยิ่งกว่านั้นเลยขอบเขตของความจริงไปมันก่อความกังวลให้ตนทั้งยาเป็นของเราหนิตากลงไปแล้วนั่น ทันยาดีทันยาไม่ดีทัจะทํญญาได้จำไม่ได้จาได้กับเป็นเราจำไม่ได้กับเป็นเราอะไรก็เป็นเร า, า, าไปหมดนี่มันเลยความจริงเลยนั่นก็เกิดความทุกข์จำไม่ได้กับโมโหั้งอะไรม่้งแล้วหลงไปตามทัญยาอารมณ์สังขารปรุงขึง้นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรอะไรก็ตามมันก็หมายไปหมดเนี่ยความหมายไปความอย่างไปในสิ่งที่ไม่ควรอย่างยืดในสิ่งที่ไม่ควรยืด มันเป็นการฝืนหลักธรรมชาติผืนความจริงแห่งธรรมมันจึงเกิดทุกข์การพิจารณาเรื่องอาการตั้งๆนี้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันปล่อยลงไปตามความจริงการปล่อยนั้นคือการวางภาชนะนั่นเองเหตุที่จะปล่อยก็คือให้รู้ตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยของมันเองจิตก็เรียกว่าฉลาดถึงจะปล่อยได้ไม่ฉลาดถือวันนั่งคาคืนยังรง ตลอดกับตลอดการไม่มีวันปล่อยวางได้เลยท่านที่เด ว, ว่าถือพบถือฆ่าเกิดนั่นเกิดนี่เกิดเพราะความหลงนั่นเองอาจจะเกิดเพราะความรู้วิญ ญ, ญาณ ท, ทั้งวิญญาณทั้งตะวันเกิดมาก็ได้ยินแล้วมันก็ควรจะชินชาผันบ้างในส่วนจะหลงนี่ตลอดเวลานี่มันหลงนี่ตลอดเวลากระทบทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเครื่องสัมผัสต่างๆเข้ามารับทราบภายในความรู้นี้โดยลําดับลําดับแล้วเกิดกับดับพร้อมดับพร้อม มันก็ยังหลงของมันได้อยู่นะเรื่องความหลงนั้นมันไม่ชินชามั น, นมันเทินที่จะหลงเรื่อยๆโดยไม่ยอมรู้สึกตัวเลยนี่แล้วเมื่อไม่ยอมรู้สึกตัวเลยทุกมันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราจะบ่นขนาดไหนมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ถ้าไม่พิจารณาให้หลงลงถึงความจริงของมันท่านถึงสอนให้จอยอันนี้เราวามมาปล่อยนะคือรู้แล้วก็ปล่อยเหตุที่จะรู้ก็ต้องพิจารณา พิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าเอาอาการทั้งห้านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกรรมฐ า, านเที่ยวอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปภูเขาเราคอที่ไหนก็ตามให้เที่ยวอยู่ทองเที่ยวอยู่ตามนี้เบิงบ้งบนเบิ้องล่างเบื่งขวางเบื้องกลางอยู่ภายในร่างกายนี้ทั้งหมดเบิ้องบงก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปข้างล่างนี่พื้นเท้าเข้ามาส่วนร่างกายภายในานี้ พิจารณาทั sa, hey, ้งภายในภายนอกเป็นกองให้จังทุกขังรักษาให้เห็นชัดตามความจริงให้เห็นโทษของความหลงของตนเมื่อพิจารณารู้ตามควาจริงแล้วมันก็เห็นโทษของความหลงเท่นั้นคนเราเมื่อเห็นโทษแล้วมันจะฝืนยึดไว้ได้ไะมันก็ปล่อยไงทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาให้รู้ทุกสิ่งอันทั้งจะปล่อยได้รู้เต็มที่ปล่อยเต็มที่ถ้าไม่เต็มที่ไปยังต้องยึดต้องถือเป็นปต่เพียงว่าเบาลงไปเบาลงไปอาศัยการพิจารณาแล้วพิจารณาแล้ว ถึงหลักความจริแล้วทางเดินมันมีอยู่เรื่อยๆเหมือนกับแบบเชื้อมีที่ไหนไฟจะไหม้ไปโดยลําดับลำดับเชื้อแห่างกิเลสอาัตราชที่ไหนปัญญาเหมือนกับไฟเป็นเครื่องแผดเผากิเลสจะซึมซาบไปตามลําดับลำดาัะเช่นพิจารณารู้เรื่องภายนอกเสร็จหมดแล้วก็หมดเชื้อไฟปัญญาไม่ออกไม่ไปสนใจอ้าวยังมีอยู่ตรงไหนติดข้องตรงไหน เป็นบูบเดียนาสัญญาสังขารยินยาณอา้าวจิตจะมาพิจารณนี่นพเพราะเชื่อมันแห่งกองทุกข์มันอยู่ที่นี่อุปทานอยู่ที่ไหนกองทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาจะต้องหมุนตัวเข้าไปตามนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วก็หมดเชื่อไม่ต้องไม่ไปอีก่มันเข้าใจแล้วนไม่ต้องพิจารณาไปอีกจะเผากันอะไรอีกปัญญาไปแตะเผากี่เดียกี่เดียไม่มีในที่นั่นมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยเข้าไปจนกระทั่งไเผาจิตนี่ย เพราะกิเลสอาสวะมันรวมตัวอยู่ที่จิดมันมันเป็นเครื่องบอกมันเองมันสืบต่อกันไปด้วยเป็นกระทั่งหมดเชื้อแห่งอาศาวะแล้วไฟก็ไม่ลุหลามไปปัญญาก็หมดปัญหาสึ้นภานะที่จะต้องคินิพิจนาเพื่อแก้อะไรอีกมว่มัเนเข้าถึงจุดสำคัญ ขันะอวิชาปฏิยาสร้งางฆราสร้งางฆราปจิยาวิญญาณังว่าเป็นแถวเป็นแนวไปตัวอวิชชาจริง ค, คืออะไรไม่รู้สิเวลาจะรู้ก็รู้ตามหลักธรรมชาติคิดพิจารณาเข้ามาเข้ามาด้น เ, เข้ามาปลอยเข้ามาซื้อตอนเข้ามาทางสติปัญญาปัญญาขั้นนี้จะละเอียดละออสุ ข, ขุมมากทีเดียวมันเหมือนกับน้าทับน้ำซุ่มไหลริมอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดมียั้ง คนไปคนมาพินิพจนานา่นหละหลายครัง้งแลวยหนเรเข้าใจกองหงมัตต์จริงๆคืออะไรนานกองทุกข์จริงๆคืออะไรภพชาติเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นสาเหตุฮมันก็มารู้ที่ใจใจนี้เองเป็นตัวพบตัวชาเพราะเชื้อแห่งภพบั่งชามันตังอยู่ภายในใจสติปัญญา อย่างสร้างเข้าไปแล้วขาดทะลุไปหมดเนี่ยตปธรรมแพดเทาพิเรพภาณาจิตใจหมดเปี้ยงไม่มีอะไรเหลือหรออ่สิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติธรรมธรรมหลุดพ้นแห่งใจพ้นจากสิ่งที่บกติดกำบังทั้งหลายตั้งแต่จนบยากจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดที่เรียกว่าอวิชาสิ้นสร้างไปหมดภาณาจิตใจนั่นแล คือความพ้นทุกข์ที่ท่านว่าปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกันที่ทุกข์นีอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแก้ทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาแล้วพ้นกันที่นั่นข้ามโลกข้ามทั้งสามข้ามกันที่ตรงนั้นไม่ได้โดดข้ามนุ้นข้ามนี้เหมือนเขาข้ามน้ำข้ามทะเลที่ไหน่ะมันข้ามตรงนั้นเองแต่ท่านแยกเป็นสมมติออกไปว่าข้ามข้ามความจริงก็ฉลัดภัยที่เป็นอุพันธะจิตใจจนออกหมดเชื้อแห่งภัยมี อยู่มากน้อยถึงใายพานาจิตใจสลัดออกหมดด้วยสติปัญญาแผดเผากันให้เกลี่ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบักความพ้นทุกข์หรือว่าท่านตรัสรู้ก็ดีบรรบลุทำก็ดีบรรลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนสมมุติท่านก็ว่าไปนี่แหละหลัธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้รู้ที่นี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแค่ เลูกตื้นจากละเอียดขนาดไหนหมดไปโดยสิ้นเธอเที่ว่าหมดเรื่องหมดปัญหาจิตเมื่อพ่ฆาปัญหาออกจากตนจนหมดสิ่งแล้วนั่นก็ไม่มีเรื่องเรื่องอะไรจริงนั่นมงเมื่อถึงขั้นอะไรไม่มีหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าอะไรไม่มีนั่นอ่ะคือเป็นคือความพอตัวเป็มที่ไม่ต้องการที่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมอีก เป็นความสนเสริญก็แล้วความยินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งส ม, มุิทั้งหมดจิตนั้นเป็นผู้พอตัวแล้วในคําว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญาปุญยาปาปะปพปปหิระบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วบบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายส ม, มุิที่แรกก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางส ม, มุดนี้ เป็นเครื่องสนับสนุนแต่เดินดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์บุญที่เป็นสมมุตินี้ก็เป็นเหมือนบันไดเมื่อถึงที่แล้วบันไดกับคนก็หมดปัญหากันไป uh บุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมาโดยลําดับเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราถึงความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความพ้นทุกข์นั่นแหละคือถ้าจะเรียกว่าบุญก็เป็นปรมังอย่างยิ่งพ้นจากขั้นสมมติไปหมดบุญอ uh ันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนไปถึงนั้นแล้วก็หมดปัญหากันไปบาปก็หมด ค ำ, คำว่าบาปคือความเศร้าหมองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะหน้าของกิเลสกิเลสสิ่งไปแล้วบาป ก, ก็สิ้นตายความเศร้าหมองก็สิ้นตายสิ่งที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ้นไปนั่นแหลคือธรรมชาติล้นล้วนได้ะจากความปุกอันบริสุทธ์ล้นล้วนนั่นเป็นจุดหมายปลายทางแห่งผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความหวังทั้งหลายก็หมดไปความอิ่มพอมีเต็มหัวใจ อินพอยตลอดเวลาอาการรีโก้ทำที่กล่าวนี้เป็นมาจากโน้นแ่ละจากลมรู้คุคลานจากความตะเกียบจากาควรมอุตสาห์พยายามนี่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ทันหรอความพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพืเ่อเพียรไม่หยุดไม่ถอย เพียรปดเปลื้องตนเองโดยลําดับลาดับอย่างที่เราเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสรกุศลนี้คำวมาจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นบุญกุศลอันนี้จะให้ผลหรือให้ผลตลอดมาอย่างพระพุ ท, ทธเจ้าเทศไปทิษฐานที่ใดมีแต่คนเคารพบูชาสักการะด้วยเครื่องมัตถุเครื่องทานต่างๆเป็นเพราะอำนาจแห่งกุศลที่พองค์สร้างมาทั้งนั้นแล้วบางประชาชนมีจํานวนมาก ก็ไปพูดว่าการที่พระองค์ท่านไปไหนมีคนเคารพ บ, บูชาตลอดถึงเคยบุตรเทวดาไม่อนอยากขาดแคลนขาดแคลนเระดยรไปด้วยวัตถุทางต่างนั้นเป็นเพราะพระพร ะ, พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงตรัสปฏิเสธไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าท่องหลาว สิ่งทั้งหลายที่ประชาชนนำมาสักการ บ, บูชาถวายเป็นปัจจัยทางจารย์มากน้อยนี้เกิดขึ้นเพราะอํานาจแห่งกุศลของเราที่สร้างมาต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจากกุศลของเราที่สร้างมาไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะอนานาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของเราหาไม่นัดนั่นบนบรรดาร า, าษาวกทั้งหลาย ที่ได้บรรลุธรรมแล้วยังต้องมีเอตตะค่าต่างๆกันนั่นก็เพราะอำนาจแห่งกุศลทิฏฐ า, านท่านที่ได้สร้างมามากน้อยต่างกันเช่นอย่างข้าศิวลีเปต้นตายไหนมีแต่คนเคารพนับถือบูชาสตุปปฏา จ, จั ย, ายฐาานยืดเยื่อนไป่หมดท่านไปที่ไหนไม่มีความอุจาขาดเคล็นะสาวกทั้งหลายที่เป็นทหารเหมือนท่านแต่เรื่องอติเรกานาคไม่มีองค์ไหนเสมอเหมือนเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องมีทศบาวลีเป็นที่หนึ่ง จังหวัดตามพระนองท่านอย่างนั้นตลอดไปจนมาถึงวาระสุดท้ายที่สลายขันขันสลายไปแล้วเป็นอันมาหมดที่จะต้องพึ่งพิงอินารัยในบุญกุศลที่เป็นกลอนสมุติมี้และจะทำบริสุทจิ์เรแล้วหมดปัญหาเนะี mm ่ย hmm. เมื่อยังไม่หมดทาาขันเมื่ อ, อไรแล้วบุญกุศลต้องตามสนับสนุนไปโดยค น, นได้ตลอดมระวั การแสดงก็เห็นว่าขึ้นตัวนำมาพิจารณาละลี่ยนแ